บทที่สองอโศกูมานขึ้นครองราชรัฐมนตรีชั้นผู้ใหญ่มีอัครเสนาบดีเป็นประมุขเข้าเฝ้าพระเจ้าพินทุสารอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เจ้าชายอาโศกเสด็จเข้าเฝ้าด้วยภายในห้องบรรทมยังคงเงียบสงบวังเวง ไม่มีใครพูดอะไรพระมเหสีของพระองค์และสนมคนโปรดนั่งก้มหน้าร่ำไห้อยู่ห่างๆประทีปโคมไฟคงสลัวอย่างเดิมบรรยากาศช่างเต็มไปด้วยความเศร้ามุมหนึ่งของพระราชวังกำลังเศร้าสลดในการที่พระราชาอันเป็นที่รักจะจากไปอีกมุมหนึ่งกำลังจะเตรียมตัวเพื่อรับช่วงมังกุรประดับเพชร และพระคทาอันมีลวดลายวิจิตในการนี้บางคนก็เต็มไปได้วยความเครียดแค้นชิงชงังเรื่องรัชสมบัติเป็นอย่างนี้เองท่านเสนาบาดีว่าอย่างไรพระราชาตรัสถามทรงมีพระอาการเหน็ดเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดมีคนไปตามสุสีมาลูกชายของเราแล้วหรือหาไม่ได้พยาค่ะ เสนาบดีทูลเจ้าชายอาโศกมิได้เสด็จไปครองตะ ก, กัศิลาได้เวลานี้เจ้าชายกำลังทรงพระประชวนเมื่อเจ้าชายอาโศกเสด็จไม่ได้ก็ไม่อาจจะเชิญเสด็จเจ้าชายสุสิมะมาได้พยาค่ะสีพระพักของจอมจะตุรงแห่งแคว้นมคตซีดลงกว่าเดิมแววแห่งความผิดหวังฉาบฉายออกมาทางพระเนตรซึ่งแห้งผาก รัฐไทยของพระองค์เหมือนจะแตกทำลายลงด้วยความโทมนัสเมื่อโชคร้ายย่างกรายเข้ามาในชีวิตอะไรๆก็ดูเหมือนจะขัดข้องไปหมดคนที่เคยรักก็คลายรักคนที่เคยพักดีก็หนีห่างมนุษย์ส่วนมากมุ่งมองแต่กระทำในสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันและเล่งเห็นผลเลิศในอนาคต การไดไร้เสียแล้วซึ่งประโยชน์แก่ตนดังกล่าวแม้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเพียงรายก็จะมีใครเล่าสมัครใจทำไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้มนุษย์ขัดใจกันจองเวรฆ่ากันทำลายกันยิ่งไปกว่าผลประโยชน์ที่ขัดกัน ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าอัครมหาเสนาบดีทูลต่อถ้าพระองค์จะทรงโปรดในระหว่างที่เจ้าชายสุสิมะเสด็จมาถึงขอให้เจ้าชายอโศกรองราชไปพรางก่อนเพราะราชบัลลังก์ไม่ควรจะว่างเว้นจากพระราชาทันใดนั้นเจ้าชายอโศกซึ่งทรงราชาพร์เรียบร้อยแล้ว เข้ามาถวายบังคมสมเด็จพระราชบิดาอัครมหาเสนาบดีและรัชมนตรีชั้นผู้ใหญ่นำมงกุดน้อมเข้ามาถวายเจ้าชายอโศกแล้วกราบทูลพระเจ้าพินทุสารว่าขอเดชะฝ่าละอองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไพร้ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหมด ถือว่าเจ้าชายอโศกเป็นพระราชาแห่งนครปาตาลีบุตรแคว้นมคตพระเจ้าพินทุสารสงพิโรธอย่างมากพระอาการนั้นแสดงออกทางพระพักและสายพระเนตรแต่บัดนี้พระองค์มีกำลังเหลืออยู่น้อยไม่สามารถแสดงความพิโรธให้สมพระไทยนึกได้เหมือนบุคคลที่เป็นอมาพาตทั้งมือและเท้า แม้จะมีดาบอยู่ใกล้ตนก็หาใช้ดาบนั้นให้สำเร็จความประสงค์ไม่หัไทยของกษัตริย์ราชาเต็มไปด้วยความปวดร้าวระบมผิดหวังและชอกช้ำเหมือนถูกฟันอย่างแรงด้วยดาบอันคมกริบแล้วผลักให้ล้มลงบนน้ำแลมพระองค์รู้สึกแน่นในพระอุระแน่นขึ้นแน่นขึ้นมีพระประสงค์จะเสด็จลุกจากเตียงบรรทม แต่ไม่อาจลุกขึ้นได้อัครเสนาบดีและเจ้าชายอโศกเข้าประคองพระองค์แต่พระราชายิ่งแสดงพระอาการพิโรธมากขึ้นพระองค์ใช้พระกำลังซึ่งมีอยู่น้อยนั้นผลักอัครมหาเสนาบดีและเจ้าชายอโศกออกไปแล้วพระองค์ก็พงะลงสู่เตียงบรรทมใหม่คราวนี้ทรงหลับพระเนตรนิ่ง อาการหอบมีมากขึ้นชั่วครู่หนึ่งแล้วสงบนิ่งไปอานิจจาชีวิตของราชาที่ราชผู้ทรงศักดิ์กรองราชเสวยราชสมบัติในปัตภพีมณฑลแต่สมบัติเหล่านั้นหาใช่ของพระองค์ไม่มันเป็นสมบัติของโลกที่เขาสมมุติว่าเป็นของพระองค์เมื่อจะสิ้นพระชนจะบรรทมหลับสนิทก็ไม่ได้ คอยกังวลห่วงยายว่ารัชสมบัติจะเป็นของใครต่อไปชื่อแห่งรัชสมบัติมาแขวนติดอยู่กับพระนามของพระองค์บางทีเมื่อเขาต้องการรัชสมบัติก็จำเป็นต้องทำลายพระองค์ไปด้วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเหมือนรังพึ่งซึ่งติดอยู่ที่กิ่งไม้นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ไม้แล้วเมื่อมีบุคคลต้องการรังพึ่ง เขาก็ตัดกิ่งไม้นั้นไปด้วยความสุขในรัชสมบัติก็มีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับภาระที่ต้องแบกต้องคอยรับบาปแทนคนอื่นแม้กระนั้นรัชสมบัติก็ยังมีอิทธิพลครอบครุมอาบย้อมจิตใจของบุคคลให้ลุ่มหลงขวายคว้าและแย่งชิงกันอยู่เสมอๆบัตรนี้เจ้าชายพินทุสารสิ้นพระชนแล้ว เมื่อมาสู่โลกพระองค์มาอย่างไรเมื่อไปจากโลกนี้พระองค์ก็เสด็จกลับอย่างนั้นคือไม่ได้เอาอะไรติดองค์ไปด้วยเลยรัชสมบัติซึ่งถ่ายทอดรับช่วงกันมาก็ต้องถ่ายทอดกันต่อไปและต่อไปไม่ทราบจะสิ้นสุดลงณตรงใดพระมเหสีและพระสนมนางในรวมทั้งไพร่ฟ้าขรรชบริพา์ ต่างก็แสดงอาการเศร้าสลดในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับแห่งกษัตริยาที่ราชพระองค์นั้นแต่จะเศร้าสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจเรียกชีวิตซึ่งจากไปแล้วให้คืนหลังได้อาโสกราชกุมารเป็นกษัตริย์ครองปาตาลีบุตร ข่าวนั้นแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วออกจากปาตาลีบตรสู่แคว้นน้อยแคว้นใหญ่ใกล้เคียงจนถึงตักกศิลานครเจ้าชายสุสีมาทรงทราบข่าวนี้ด้วยความระทึกพระทัยเป็นที่ยิ่งรัชสมบัติแห่งแคว้นมคตเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงหวังแต่ความหวังนั้นได้หลุดลอยไปเสียแล้วรัชสมบัติซึ่งอยู่ในอุ้งพระหัตของพระเจ้าอโศกนั้น สุสีมะกุมานทราบดีว่าเป็นการยากที่จะแย่งคืนมาประหนึ่งเนื้อก้อนงามที่อยู่ในปากของศีหะหนุ่มแน่นและทรงพลังสมบูรณ์แต่ความอยากความปรารถนาเป็นสิ่งที่ได้ยากในโลกเฉพาะอย่างยิ่งความปรารถนาในรัชสมบัติซึ่งมีอำนาจและเกียรติอยู่เบื้องหลังด้วยแล้ว ย่อมกระตุ้นเร่งเราจิตใจของผู้มีสิทธิ์ให้อยากได้อยากเป็นมากขึ้นเจ้าชายสุสิมะมีสิทธิ์ในรัชสมบัติแห่งปาตาลีบุตรนครเป็นที่แน่พระไทยว่าพระองค์ถูกแย่งสิทธิ์นั้นไปจึงพิโรธยิ่งนักทรงปรึกษากับวีรเสนแม่ทัพคนสำคัญของพระองค์ท่านทราบและใช่ไหมว่าเวลานี้สมเด็จพระราชบิดาสิ้นพระชน์ และเจ้าชายอโศกขึ้นครองราชเจ้าชายสุสิมะตรัสพระสุรเสียงเครียดทราบแล้วพยาคา่ะวีรเสนทูลรัชสมบัติแห่ง น, นครปาตาลีบุตรควรจะเป็นของใครพระองค์ตรัสถามว่าโดยขัตยราชประเพณีแห่งการสืบสันตติวงศ์รัชสมบัติควรจะตกแก่พระองค์วีรเสนทูล บัตรนี้เป็นของเจ้าชายอโศกไปแล้วแต่เรามีโอกาสที่จะเอาคืนมาพยะย่ะค่ะวีระเสณยืนยันหนักแน่นท่านคิดว่าจะเอาคืนมาง่ายนักหรือเจ้าชายตรัสถามก็ไม่ง่ายนักแต่ไม่เหลือวิสัยที่จะเอาคืนมาโดยทางใดเรื่องนี้จะต้องช่วยกันคิดวีระเสนทูลคิดอย่างเดียวไม่สำเร็จหรอก ท่านวีระเซนเราจะต้องทำกันอย่างใดอย่างหนึง่งใช่พยาค่ะเราต้องทำแต่ก่อนทำเราต้องคิดวางแผนให้รอบครอบก่อนเกร้ากระหม่อมคิดว่านายกองคนหนึ่งทูลไม่จําเป็นต้องวางแผนอะไรหมายความว่าอย่างไรท่านโสมะเจ้าชายตรัสถามหมายความว่าโสมะทูล เราอยู่เฉยๆเสธิตะกศิลานี่แหละไม่ต้องไปกรุงปาตาลีบุตรท่านกลัวตายหรือเจ้าชายตรักอย่างเกลี้ยกราดหาไม่ได้องค์ชายกล้าวกระหม่อมไม่ได้กลัวตายกล้าวเป็นในกองคนหนึ่งของพระองค์พร้อมเสมอที่จะสละชีพเพื่อพระองค์แต่ในกรณีนี้กล่าวเห็นว่าเจ้าชายอาโศกก็เป็นพระอนุชาของพระองค์เอง เพียงแต่ต่างพระมารดากันเท่านั้นไม่ควรที่จะนำทหารไปตายในกรณีอย่างนี้ทหารเขามีไว้สำหรับรบวีรเสณกล่าวบ้างท่านโสมะอย่าเข้าใจผิดไปทหารเรามีไว้สำหรับรบเมื่อไม่รบจะให้เขาทำอะไรถูกแล้วทหารเรามีไว้สำหรับรบโสมะพูด แต่ไม่ใช่รบกันเองระหว่างพี่น้องอีกอย่างหนึง่งทหารเหล่านี้เมื่ออยู่ในกองทัพเป็นคนของเราเขาต้องเชื่อแม่ทัพนายกองแต่เมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วเขาเหล่านั้นล้วนแต่เป็นพ่อของลูกเป็นสามีของภรรยาและเป็นลูกของแม่ซึ่งคอยเขาอยู่เขาและญาติพี่น้องของเขายินดีที่จะสละชีพเพื่อมาตุภูมิ แต่ถ้าแย่งชิงกันเองรบกันเองใครเราจะชื่นชมต่อการกระทำอันนั้นทหารเรามีไว้สำหรับรบนั่นถูกแล้วแต่เราต้องรบกับคนอื่นพวกอื่นถ้าเจ้าชายอาโศกเขาคิดอย่างเราเจ้าชายสุสีมะตรัสเขาคงไม่แย่งรัชสมบัติของเราเรามัวคิดอยู่ว่าเขาเป็นพี่น้องแต่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้น เขาจึงทํำได้เมื่อเขาไม่คิดว่าเราเป็นพี่แลประโยชน์อะไรที่เราจะคิดว่าเขาเป็นน้องเรื่องสมบัติสมบัติทําให้จิตใจคนไข้เขว้ถึงขนาดนี้พระบิดาสิ้นพระชนแทนที่พระราชบุตรจะเศร้าใจและปรึกษากันเรื่องพระบรมศพแต่กลับมาคิดทะเลาะ ก, กันเรื่องสมบัติทางนาคปรปาลีบุตร เจ้าชายอาโศกซึ่งบัตรนี้กรองราชแล้วก็ทรงกังวลพระทัยเหมือนกันเมื่ อ, อยังไม่ได้รัชสมบัติมาก็อยากได้และคิดว่าคงจะสบายแต่เมื่อได้มาแล้วการจัดระเบียบปกครองและการทำนุบำรุงบ้านเมืองเพื่อความเจริญก้าวหน้านั้นเป็นเรื่องยากและยากมากทีเดียว เราแย่งรัชสมบัติของพี่เจ้าชายอโศกทรงปรารภกับอัครเสนาบดีและรัชมนตรีบางคนในตอนเย็นวันหนึ่งก็ไม่เสียหายอะไรอัครมหาเสนาบดีทูลท่านว่าไม่เสียหายหรือเจ้าชายอโศกตรัสย้ำอีกครั้งหนึ่งการแย่งรัชสมบัติเสนาบดีทูล เป็นการกระทำโดยชอบธรรมของผู้ที่เกิดในตระกูลกษัตริย์ถ้าไม่ได้อาจจะเป็นความเสียหายแต่ถ้าได้ก็เป็นความดีความชอบชีวิตจะรุ่งโรดก็ต้องเสี่ยงถ้าไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยก็จะหาความรุ่งโรดได้ยากมากอีกอย่างหนึง่งเซนาบดีทูลต่อไปพระองค์จะเห็นว่าของดีนั้นมีอยู่น้อยคนต้องการมาก เมื่อเป็นเช่นนี้เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องแย่งกันใครแย่งได้ก็เป็นความดีความชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นใหญ่ถ้าต้องแย่งเอาโดยไม่ตรงก็โดยอ้อมเมื่อแย่งได้แล้วคนทั้งหลายก็เห็นดีเห็นงามไปเองปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อได้มาแล้วต้องรักษาไว้ได้และทำให้ดีขึ้นกว่าเก่า ถ้าเจ้าพี่สุสีมะยกทัพมาเราจะทำอย่างไรเจ้าชายอโศกตรัสถามมีน้ำเสียงแสดงถึงความกังวลพระทัยเล็กน้อยรบอครมหาเสนาบดีทูลเราก็ต้องฆ่าพี่น้องกันเองเจ้าชายอโศกตรัสเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อทำมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องทำต่อไป เรื่องพี่น้องกับเรื่องรัชสมบัตินั้นเอามาปะปนกันไม่ได้ถ้าเราแพ้เขาเขาก็ต้องฆ่าเราอีกอย่างหนึ่งว่าโดยความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราไม่มีพี่มีน้องต่างคนต่างอุบัติมาในโลกแต่เดียวดายเมื่อจะจากโลกไปก็ไปแต่ผู้เดียวไม่มีใครติดตามไปด้วยเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องญาติเป็นเรื่องสมมติกันขึ้นมา ผลประโยชน์บางประการเพราะฉะนั้นการฆ่าคนที่ควรฆ่าจึงไม่เป็นบาปไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลเจ้าชายอโศกยังคงสงบนิ่งพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรและดูเหมือนไม่ประสงค์จะตรัสอะไรแต่พระองค์ทรงคิดคิดอย่างลึกซึ้งหนักหน่วงบัดนี้พระองค์ทรงก้าวเข้าสู่ทางใหม่แล้วทางซึ่งมองไกลออกไปยิ่งแคบ และรกแต่พระองค์ได้ก้าวมาแล้วก็จะต้องก้าวต่อไปจะทําอย่างไรกับทางซึ่งแคบและรกนั้นจะต้องตั้งพระทัยอย่างมั่นคงเด็ดเดียวที่จะถางและกวาดทางนั้นให้กว้างและโล่งเตียนสมเด็จพระราชบิดามีพระมเหสีมากและเป็นธรรมดาที่จะต้องมีพระโอรสมากพระโอรสเหล่านั้นล้วนแต่ปรารถนาราชสมบัติทั้งสิน้น จะอย่างไรก็ตามพระเจ้าอาโศกทรงคำรามรำพึงอยู่กับพระองค์เองเมื่อทำมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องทำต่อไปใครขัดขวางใครเป็นเสียนหนามก็ต้องฆ่าฆ่าทุกคนที่ขัดขวางความเป็นใหญ่ของเราเราจะต้องเป็นจอมจักระพัดแห่งชมพูทวีปอำนาจเป็นใหญ่ในโลกผู้ไร้เสียแล้วซึ่งอำนาจ ก็เสมือนสัตว์ซึ่งไร้เขี้ยวเล็บไร้พิษสำหรับป้องกันตัวรังแต่จะถูกย่ำยีรังแกให้ชอกช้ำอยู่ร่ำไปทันใดนั้นเองพระเจ้าอาโศกทรงลุกขึ้นชักดาบชูขึ้นเหนือพระเศียรพร้อมกันนั้นฟ้าคำรามคลืนเหมือนดังมาจากสี่ทิศทรงประกาศกล้องว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้า ผู้มีนามว่าอาโศกจะแผ่กริศดาพินิหารเป็นใหญ่ในชมพูทวีปแต่ผู้เดียวข้าขอเอาชีวิตเป็นประกันคำปฏิญาณของข้าขอฟ้าดินจงเป็นพยานในคำประกาศของข้าว่าแล้วทรงปักปลายดาบลงเหนือธรณี